เทศนาให้ฟังมามากมายบางคนอาจจะเข้าใจว่าไม่ได้เทศนาให้ตนฟังก็ได้คนที่ฟังเทศเป็นฟังเทศถูกจะต้องเข้าใจว่าท่านเทศนาให้เราฟังโดยเฉพาะ อาหารก็ขเข้าใจอย่างนั้นแล้วได้ความทเทศไม่ได้เทศให้คนอื่นฟังเทศให้เราคนเดียวเฉพาะเราคนเดียวเพราะกานเทศนาก็มุ่งให้ผู้ฟังเข้าใจผูกฟังทุกๆคนหมายความว่าทุกคนจะต้องฟังให้เข้าใจทุกคน หมายควาว่าท่านเทศเฉพาะเราคนคนหนึ่งทุกทุกคนจึงจะได้ควงมถ้าหากเข้าใจเอาของเทศให้คนอื่นฟังเราเลยไม่ฟังไม่ตั้งใจฟังเอาใจส่งไปทั้งอื่นเสียมันสอนให้หัดภาวนาก็เลยเข้าใจไม่ใช่เราสอนเราคนสอนให้เราภาวนา สอนคนอื่นต่างหาักภพราะวานากรรมฐานมันมีแล้วทุกคนที่ภาวนากรรมฐานอยู่เฉพาะตัวของเราทุกๆคนสอนให้ตั้งใจภาวนาที่เงินอื่นใดที่สอนไปนมากมาย ก็สอนให้รวมจิตรวมใจอันเดียวเท่านั้นสอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องอะไรนะควมดมให้เอาใจตัวเดียวเป็นที่ตั้งพใจเป็นบอกคือของทานของศีลของภาวนาบุตร เกิดเพีนที่ใจแห่งเดียวหากคนไม่มีใจแต่แล้วคือคนตายแล้วไม่ทำบุญทำทานอะไรก็ไม่เป็นรักษาสิ่งก็ไม่ได้เพราะใจมีนั่นแะ่ะจึงคิดจึงนึกจึงสรงตายสแสวงหาบุญหาคุณสงฆรักษาสิเมตตาภาวนาเพราะใจตอนนั้นมันมะีน่ะ การรักษาพระพุทธศาสนาจิตทํามบุญสนทางหวังดีหวังชอบอใจนั่นแหละมันมีไม่นยังเคยหวังดีถ้าหากใจมีแล้วไม่ทําดีทําชอบคือไม่เห็นใจทองตนคิดชั่วถามชั่ว ร่ายกายแม่มนหิดโอดร่ายเอการต่างๆเรนเรียกว่าใจทำชั่วเราไม่รู้ตัวจึงรักษาใจไม่ได้ทำชั่วทำทุจริตเจผิดโทษเจอระการต่างๆใจมันพาเราไปเพราะมันมีสติ ก็ตั้งสติรักษาใจแล้วรู้จักว่าใจจิตที่ชั่วจิตไม่ดีก็รู้จักรักษาตัวเพราะคนเรานั้นทุกคนนั้นตความดีเ้อกันทั้งนั้น ไม่มีคนทําไมไม่มีคนใดหรอกที่จะปรารถนาคนชั่วนนยเนยแต่แต่ว่าไม่มีสติมันจึงจะไปทางชั่วคิดทางชั่วทำทางชั่วเพราะนี้ใส่คนเรามันชั่วมาแล้วแต่ก่อนคือไม่มีสติเอง ท่านเมื่อมีสติควบคุมจิตก็ต้านทานควนมชั่วไว้ได้ไม่เห้ดึงไปในทางที่ชั่วช่างที่เมาคนเมาคนเม า, เ, มาเหลรามันไม่มีสติไม่มีสติมันก็ไปทางชั่วเห็นไหมเนี่ยว่าสติต้อคุมจิตเอง อยู่ในทางที่ชอบสติคุมจิตมาอยู่แล้วก็เลี้ยวไหลเลื่อเทพูดปรํลามประละข้ามชั่วจยกรการต่างๆจนถึงที่สุดเลื่อยกายนอนถนนอุจรารปัสวะนดต้นนดตัวก็ไม่รู้จัก ในคนที่สุดเป็นผลดีแก่ึนกนุนัขนเดียตุหัดนานั่นสติไม่มีคนสติมีไปเนี่นมันทำชั่วนนคนสติปีแล้วร า, ามาจะหวังตาตูไม่สามารถจะทำไดุ้รอาาท่านยังบอกว่าเป็นเหตุใหเกิดความประมาท ยิดียิ่กระทาให้คนชั่วได้ถ้าหาไม่กินโซราก็ไม่ทําชั่วถึงนาดนั้นพอดื่มโซราก็ทําชั่วได้เลยขึ้เหลวไหลในทุกอย่างพูดชาฟังำรำพราลไปทุกสิงทุกปรการนี่ตัวอย่างนั้นไม่มีสติเป็นอย่างนีนะ้จึงให้รับสารสติตัวนี้ไว้ ควบคุมจิตให้อยู่อาหากว่าเราควบคุมจิตอยู่อย่างน้อยที่สุดก็รู้ตัวว่าคิดหรือถูกยังทํายังละคิดไม่ได้แต่รู้ตัวอยู่ก็น่าพอใจสุดรู้ตัวแล้วมันอายละอายบา้านละอายความชั่ว มันก็สามารถที่จะละทั่วได้ค่อยกลายเป็นคนดีมาโดยลาดับการรักษาสติจึงจะเป็นเครื่องเป็นของนำมาสู่ความดีทุกคนมีแล้วสติแต่ไม่รักษาทุกคนมีแล้วมีจิตมีแล้ว แต่ไม่ไม่รักษาส ต, าสติมีแต่ว่าไม่รักษาส ต, าสติใครเป็นคนรักษาส ต, าสติเป็นคนรักษาจิตสติขึ้ลมลึกได้ท่านละลึกได้มันก็เกิดขึ้นมาสติจะเกิดขึ้นมาในที่นั้นผะู้ละลึกได้นะั่นแหละละลึกคมชั่วคนดีได้นะั่นแหละมันกเกิดขึ้นมาในที่นั้นะ สติมันไอ้จิตมันคิดมันก็รู้จักาควาระลึกใดรู้ใดนันมันก็รู้ใดมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งในทางที่ชั่วจะรู้ใดตัวใจมันมันคิดไปทางชั่วคนเรานั้น มันปรุงมันแต่งในทางที่ออกจากงอกจากตัวเป็นธรรมดาตรงไปหน้าตรงหน้าชงหลังไม่อยู่คงที่ถ้าหากสติไม่คุมยิ่งไปไหนสติคุมแล้วอยู่ในปัจจุบัน นั่นเนี่ยค่อยดีขึ้นมาเจงว่ากรรมฐานฝึกหัดอบรมกรรมฐานนั่นคืออบรมสติตัวเดียวรักษาจิตตัวเดียวจะหัดวิธีใดวิธีใดต้องลงในสติตัวเดียวเรามาหัดกรรมฐานาหัดเข้าหน้า มีครูบายการสอนจงดีบทําเสียหัดทําเสียในเวลานี้โอกาสมีเวลาไม่หากนานไปนานไปไม่มีใครสอนไม่ได้อบลงหรือหาดมีอุปสรรคคัดของมีรารการงานหรือเราแก่เข่าสาราหรือเราโน้มเราตายเราเจ็บเราป่วย ไม่มีโอกาสเวลานี้นับโอกาสที่นักปีหนาจงตั้งใจทำกรรมฐานได้พื้นฐานรักฐาน ม, มั่นคงแล้วไปอยู่ไหนก็ําได้สอนให้ได้รักฐานเราทำกรรมฐานได้ ถึงหากภาระธุระการงานมีมากก็เท่าไรเราไฝ่ใจอยู่เสมอนึกถึงกรรมฐานยเสมอหาโอกาสจะามได้วันหนึ่งทีเดียวเน้นจงตั้งใจศึกษาอบรมฝึกหัดกรรมฐานเพราะสติก็มีอยู่ใจก็มีอยู่แล้ว ทำให้มันเกิดนี่เสื่อมเรียกว่าภาวนาพวนาคือทำให้มันเกิดมี่เอง่อมเรียะตั้งใจทำความสงบตบลมสมาธิแน่วแ น, น่ความที่จะ ทำสมาธิทำใจให้สบายสบายทาใจให้ลงเป็นกลางกลางไม่เอียงเอียงไปทั้งหน้าทั้งหลังอยู่เป็นกลางจุดศูนย์กลางนี่เป็นของสำคัญถ้าหาตั้งมันในศูนย์กลางเท่านั้นแล้ว เราจะเป็นสมาธิกรุบายรนียบหายอันที่เป็นศูนย์กลางเป็นของสำคัญศูนย์กลางที่นี่หมายความที่ในปัจจุบันลงปัจจุบันในคิดหนาคิดหลังในทรงตายเลยหายได้ทางหวงหมด เวลานี้เราทาําภาวนาเราต้องการภาวนาเราจึงมานั่งสมาธิภาวนาทําความสงบเราไม่ได้ต้องการสงสายไม่ต้องาาคิดนึกอะไรทมากมายคิดนึกอะไรทั้งต่างเอาไว้ส่วนอื่นแล้วออกจากภาวนาแล้วยังค่อยคิดมันยังคอยนึก อนนี้ทำจิตให้ ก, กลางๆ่เฉยลงไปทำใจสงบเยือกเย็นลงไปก็จะเห็นอันนี้สมของสมาธิภาวนาจิตใจกลางตรงนั้นเมื่อวางจิตกลาง้วจะได้ความสุขสงบแต่ก่อนเก่ามา แต่ไหนแต่ไรมาเราไม่เป็นกลางสักทีจิตส่งไปส่งมาหน้าหลังอยู่ยู่เป็นกลางจึงไม่ได้ความสมุขสงบเพราะขานี่ททำใจให้กลางๆทำควาเย็นสงกจะเห็นอันนี้สงของสมีธิภาวนาตรงนั้นน เมื่อทำเมื่อมันจะคิดจะนึกมันออกไปจากกลางนะคิดไปกระเด้งกั น, ก, นก็ออกไปจากกลางถ้ามันจะคิดจะนึกก็ให้นึกในทางธรรมอย่าสมใจในทางนอกเพราะเรามาสุดมาทำคือปิจนาการโคตรกลัวในกายในตวัวเรานี่แหละ พิจนาเกสโอมานาคาสังต่าโชหรือพิจนาเพียงอันเดียวก็ได้คำว่าพิจนาทีาให้ดูให้เห็นให้จิตแห่งเขาไปดูเขาไปเห็นพิจนากระดูกซึ่งเป็นแกนสารของสังขารร่างกาย กระดูกนั้นงเนื้อหนังจะรุดไปก็ตามเกลื่อนเอาก็ะชังเพราะฉะนั้วา่าทุกสินงุกส่วนเปลื่อยไปก็ตามแต่กระดูกมันเป็นของธาตุทั้งร้อยน้อยสีสันสันสีมันก็อยูอย่ได้ฉะ น, น, น, น, น, นั้นเอาโครงกระดูกเนีน่มันพริจารณามันด่ามันจะคิดมันคิดไปไม่ใช่มันสง่งมันสง่สงไปตามกระดูก ก็ดูพิจารณามันตายแล้วมันก็เหลือแต่กระดูกมันเกระดูมันเป็นท่อดน้อยเท่าใหญ่พิจารณาไล่ไปติดมันต่อย่ังไงกันมันอยู่ยังไงตัวไงไล่ไปหมดทุกอย่างมันอยู่อย่างนี้แหละข้ามันอยู่อย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ มันชักลงไปเห็นแจ้งจะจับให้ใจแล้วมันจะรวมรวมไปทิมมันรวมไปรวมไปแล้วมันจะหวางมันจะหวางทิ้งกระดูกนะรวมไปอยู่ผู้เดียวของมันต่างหากคือจิตอันเดียวต่้งหากทามันออกมาก่ะอย่าให้ส่งไปทางนอกอย่าส่งไปทิ้งนในเครื่องอื่น พี่นายก็อยู่นี่แหละมันเรื่องอื่นนไว่าตอนนี้ตั้งหาเวลาเราพอวนาต้องพอวนาอยู่ตรงนี้แน่ๆอยู่ตรงนี้นี่เรียกว่าภาวนาทากานทําที่อดีตอายมาว่าเรื่องชีริเซึ่งของ น้อยก็หมายความทั้งเรื่องมราณาสตินั่นเองให้พิเจ ร, าราณามรณาสติว่าสิ่งใดที่มันตายกายขั้งหลานี่มันมีสิ่งในที่ตายพิ่เจรณ า, าทังเรื่องมรตุส่วนนี้แต่มันตายตั้งแต่มือแต่เท้า มันเย็นมันตามันเย็นมันเหน็บมันชามันเย็นตายไปทุกมารเกิดขนตายไปตายไปหดไปหดไปมันตายเป็นย่งอุ่นย่างตัวหัวใจอุ่นโดยทางกลางอกนั่นอุ่นตรงนั้นก็ลมหายใจตรงนั้นแหละถ้ามันเย็นวัดแต่ตรงมีลมหายใจ ความออุมันเป็นเครื่องให้เกิดลมหายใจความอบอุ่นมันครั้วมี้อบอุ่นนะมันก็เย็นหมดไม่มีลมหายใจไม่มีลมหายใจแล้วคั้นี้อันตัวใจแท้ไปไหนครันี้ใจแท้มันก็ไปตามเรื่องของกรรมความเป็นกลางๆมันถ้าหากว่า มดลมหายใจแล้มันอยู่ไม่ได้นตัวใจนัเรียกว่าลมหายใจต้องหาใจกับจริงอยู่พ่อมีลมมันจะค่อยดึงในนั้นถ้าหมดลมแล้วก็ไม่มีไม่มันจะไม่ดึงในนั้นเที่ยว่าบลมหายใจถ้ากรรมดีมันก็จะติดกรรมนะจ๊ะถ้ากรรมชั่วมันก็ติดกรรมชั่วนะจ๊ะอันนั้นแหะอันที่รักษาอะไรไม่ได เมื่อเรามีสติอยู่ดีๆที่รักษาตรงนั้นนะให้อยู่กลางนั้นนะ mm hmm. เมื่อลมหายใจมดุดเราไม่มีทางไปตามเรื่องเ mm hmm. ห็นนั้นถ้าหางเรารักษาสติควบคุมจิตอยู่ได้อยู่ตรงกลางแม mm ้ hmm. เมื่อมีสติอยู่ mm hmm. เมื่อเราหายใจมุดไปก็อยู่ตรงกลางนั้นโ mm hmm. ดยอํานาจกํลาลังจิต มีพดังเสียงพอมันจะไม่หวั่นไหวเมืม่อหวั่นไหวเอมเอียงไปทางไหนมันก็คงอยู่คงที่ะนะคเมื่อมันได้ไปตามกรรมชั่วกรรมดีแล้วมันจะเกิดไหนมันก็หมดเรื่องความเกิดันก็ไม่มีนมั่นจึงต้องให้รักษาตรงนี้แะ พิจนาคนตายบองต้นส่วนไหนมันตายมันหมดมันหมดลมตามันเย็ดอะไรบางการแต่ทุกสิ่งก็อย่างนั่นแหละให้หมดให้พิจนาตรงนั้นนะจนกระทั่งจิตแน่วแน่จริงๆหนจังในเมื่อเรามีสติชีวิตยังอยู่อยูนี่ละมันจะไม่ปรากฏเลยตายเขาจะไม่ปรากฏ แต่ป้ากดติดใจใ น, นตรงนั้นแ่ะตรงกลางน่ะเนี่ยาวันหายไปไหนเี่ป้ากดเฉพาะไม่ไป้ากดตปดในตัวงเราความสุขความสบายเกิดขึ้นมาจากจิตที่มาไปยึดในสิ่งใดเป็งของโลกของวาน เป็นสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งคำว่าปรารถนาแล้วเป็นคำพูดในตอนนั้นไม่มีปรารถนาเลยหมดเรื่องแลไม่มีปรารถนายังไงติจารณาตรงนั้น เ, น, เ น, นี่ยอ้าวิจารนากันบางคนจะสงสัยว่า ทำไมยังต้องพิจารณาอาหารและปฏิกูลสัญญามันไม่ใช่กรรมฐานความข้อนั้นเตยๆว่ากรรมฐานเหมือนกันข้อที่เข้ามาสู่กายของเราเป็นกรรมฐานทั้งหมดเราพิจารณาเป็นเรื่องอาหารเป็นของเรื่องชีวของเรา มันต้นตื่นชีวิตให้เป็นอยุคอาหารนี้พุกฆาลันตังพุฆาลังตังไหลออกไหลเข้าอยู่อย่างนั้นคือไหลเข้าทางเทวันปากมันก็ไหลออกพระเทวนันหนักเทวันเบกถ้าจะตีก็เหมือนกับของที่ตกลงมาแล้วก็ไหลไปตามแม่น้ํา มันอยู่ในร่างกายของเราจิค่อยพิจารณามันทิ้งไม่องเดียวกายเป็นกรรมฐานทั้งวัตท่าเราเป็นกรรมฐานแบบคือเราพิจารณากายนี่แลหละจิตเราอยู่เราอยู่ตรงนี้ตรงที่หลาไม่ไปไหนเป็นกรรมฐานเหมือนกันทั้งนั้นตัวสลดทั้งเวทได้กายของเราเนาะเป็นอย่างนี้เนาะมันต้องเลี้ยงดูผู้เสือ่อมหารการกินจิามค่อยอยู่ได้ ต้องท น, นทุถ น, นอมเลี้ยงดูทุกขณะทุกอยู่ทุกวันทุกวันจะไหนแต่ไรมาเลี้ยงดูอยู่นั้นจนกระทั่งเนีเจ็บป่วยยังกระทั่งนอนจิต น, นอนอนอนอยู่กับที่ทำอาหาร ก, กินไว้ได้คนอื่นเขาต้องมาเลี้ยงอาหารถ้าหากไม่มีแล้วอาหารถ้าหากเขาไม่มาหล่อเลี้ยงนล้วเป็นตายแม้แต่ต้องตาย เหนั้นอาหารเนี่ยค่ อ, ยอเลี้ยงอยู่เสมอเสมอจนกินไม่ได้กินนิดียวหน่อยก็ต้องเอามาให้กินเพื่อเล่อเลี้ยงชีวิตให้ติอยู่ถ้าไม่ได้กินอาหารก็หมดเรื่องแหละหมดเท่านั้นแหละดาวพฤหัสนาอย่านี้มันเกิดความสลดสังเวชชีวิตอยู่ ก, กับทิ้งอื่น ถึงนะปฏิกูลัญญาก็จริงแหละแต่ว่าเราต้องอาศัยมันของปฏิกูลนั่นแหละอยู่ในของปฏิกูลนั่นตัวของเราก็ปฏิกูลแล้อาหารที่กินอะไรก็ปฏิกูลเหมือนกันของเน่ากับของเน่าอยู่ด้วยกันจนกลัวจะแตกสลายไม่มีดีไม่รียได้เราคนเราเราไปกันทั้งนั้นนะเพียงแต่ว่าธาตุสี่พืช ปรับปรุงมันธาตุเตี่ยนี้ธาตุโปกงครั้งเข้าข้อครั้งเข้าให้มันจเจริญงอก ง, งามขึั น, นเติบโตไปหน่อยหนึน่งก็พอได้ยี่สิบปียี่สิบห้าปีอยู่ที่แบบนี้พอก็แล้วมันก็ไม่โตขึ้นมาแล้วสามสิบสี่สิบปีก็แล้วแต่มีแต่จะหมดจะเปลือนไปสิ่งที่มีมีอยู่ก็ค่อยหมดค่อยเปลือนไป นร่างกายของเราเช่นออสเทลต่างๆนั้นก็หมดก็กินเปลองไปอ่อนไปทุกวันจนกระทั่งแกเฒ่าชราันก็ไม่รับปาหานะคะรสิ่งต่างๆมันหมดแเลี่ยวล้งก็อ่อนเียไปมนดับแตกพลายล้ไปเป็นดินน้ำไปลลมการดืม น, นี่ถึงยังิจณาอย่างนี้ พิจารณาเป็นมเป็นกรรมฐานมดพิจารณาไม่เป็นไม่เป็นกรรมฐาน้นนอยู่ที่พิจารณาอยู่ที่จิตของเราถ้าจิตของเรามันอยู่แล้วมันสงบแล้วพิจารณาได้กระดั้นคือกรรมฐานมดถ้าจิตไม่สงบแล้วพิจารณาสูงสุดพิจารณางเรื่องธรรมนสูงอย่างการเสียอมจิตวิจารจิต อนุสติจิตตที่อธิบายมาฟังมันก็ไม่เป็นกรรมฐานให้เหตุนั้นจริงวไม่ควรที่จะคำนึงไม่ควรจะคิดตัวไม่ใช่กรรมฐานแท้จริงกรรมฐานนะั้นที่พิญาณาอย่างนี้เอาไปพิาจารณาเอาสติเนะี่ยคุมจิตให้อยู่เสก่อนแล้วค่อยน้อนมานอนพิจารณาถึงไม่น้อนมันก็คิดตาเองว่ะ คุ้คิดอยู่แล้วมันคนุ้มเสียไหมคิดไม่เสีนอเพี้นะ